ในวันพระก่อนพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักชักจะเหลวหลักเป็นของสําคัญทําอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชักจะเหลวทางนั้นล่ะงานในดๆเหมือนกันทางนั้นนี่แหละ ว, ว่าเฉพาะทังเรื่องงานปฏิบัติ คำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสั่งผู้ได้เจ้าเลืออองค์เทศสนามีหลักจงได้อธิบายว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่เพียงใจว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเสกกับหลัก เช่นปลูกควายคอควายแล้วก็ใจปลูกเป็หลักนนั้นเขาเรียกแหลงคำพูดทำตามตรงเข้าใจท้ทั่วไปแรงคือบริเวณวเอ้อมแอมที่อยู่ยนั่นวามะอ้อมหลักมันเรีขาเรียกว่าแรงอันนี้ภาษาคําพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักก็แรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคําที่ว่าปฏิบัติให้มีหลัก ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักนี้แรงหลักคืออะไรก็ฝากลงที่ตัวของเรานี่ยแหละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คือความแอ้มในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเออ น, นั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแล้วนี่ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ขยายเนื้อของาอาไปเป็นอาการสามทิศสองคงจะพากันจำกันได้พิเทศษในฟังอธิบายฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ไปให้เป็นอาการสามทิศสองก็ไม่ใช่อื่นไกลก็แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเรียนํานวนที่จริงกัอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหะ ที่พระพุทดธดเจ้าท่านบัญญัติ <c oughs> เทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันหาอายตนะอินทรสี่พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของแตเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันหา <c oughs> ขันหาก็เชีย่ยงันตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันหามาเพิ่มเขาอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็ มีนมามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ําอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนมามธรรมก็ยกังพอเรียกได้แต่อันนี้ยิ่งเรียกเข้ไปตัว น, นั้นอีกนมามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ดินน้าไปลมได้อธิบายมาแล้วนั้นท่า น, นี้พอเพิ่มก็อีก เวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่กเวทนาสัญญาคือความจาจดจําสิ่งนั้นถีงนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเป็นรูปไม่เป็นนาม รูปมัคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขั้นห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมไม่ย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการไม่สุขไม่ทุกข์ที่เฉยเรียกว่าเวทนาโดยสมาชิคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนา ทุขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปราถนาทั้งนั้นปราถนาสุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์นันคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ถ้าเป็นไงจะเรียกว่าสุขกับทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขกับทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีแต่อุปเปกขาเวทนานี่สิอุปเปกขาท่านก็นเรียกว่าเวทนาเหมือนกั น, กนแต่ยากที่เข้าใจได้ ถ้าหากเราจะมีการคิดในมีการเังเกตหรือว่างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานและไม่เด็นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่นเรียกว่ารูปเอกขาเวทนาถ้าหากกู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงสว่างเมื่อไหรจะเห็นชัดรูปเอกขาเวทนามีแท้ ปรากฏชัดอยูเดียวอุเปกขาวิทนานี่เองคือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวความเป็นจริงคําที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นน่ะถ้าหากพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีๆนะฮะแต่ถ้ามาแดกแจงก็สุขเวทนาท่านจจกเป็นอุเปกขาวิทนานะเพาะ ความสุขนะเป็นของละเอียดเข้าไปอีกควสุขธรรมดานี่ถึงเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในที่นี้ต้องใ้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเราเนี่แหละมีที่ตัวของเราไม่ได้มีที่อื่นหรอกสุขก็ไม่สุขที่อื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่น เฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นคือตัวของเรานี่ยงั้นจรงว่าธรรมมียู่ในตัวของเราอย่างอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นมีว่าเจะก็วีทนาสัญญาความจําได้หมายรูปาไม่จําได้ในที่นี้จํารูปจํานามจํารูปเช่นจําชื่อจําคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้ วัตถุสิ่งของในไดก็ตามที่เราจําได้เครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยใช้มาเราจําได้ถนัดโตกไหนโตระไหนเราจําได้เลยอันนั้นตัวชั้นยาจํานามคือจําชื่อของบุคคลลูกหลานพี่น้องหมู่เพื่อนของเราก็ตามเราจําได้ชื่อไอ้นั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจําได้เรียกจํานาม อันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช่อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้กระตวงเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีกต่ใช่ที่ดวงเราเนี่ะเราใช้แล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่ยแล้ว เ, เอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไว้ที่นี่ยไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำลูกจำหลานไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกคำจำนะถึงแม้นเราจะไปเขียนไว้กระดาษกับเรานี่แหละคนจำ เขียนชื่อไว้ในกระดาษกันเล่าเนี่ยเป็นคนจำเรียว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งสังขารจะแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงลวงแต่งปรุงแต่งระการต่างๆอย่างเราปรุงแต่งจะทำการนั่นการนี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นั้น เขาจะทำงานนั่นน่ะทำงานนี่อะไรต่างนึกคิดอยู่แต่กลางคืนนี้ว่าท่านออกไปทำงานเลยรุ่งเช้าว่างออกไปทำงานตามปัญหาเทวดาถามพระพุทธเจ้าถามพระศาสนาพว ก, พวกผสมคนผสมเยาวันทานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ใน อำนาจครอบครองของมัจจุราชเดวยกันทท้งนั้นประษัตรทั้งแม้มีอิทธิพลมากมายมีเจ้าแกร่างหารหลายภัพหลายหมู่กก็ตามจะลบราค่าฟันหลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโลกเกนประศาตาของน้อยกับกลับคิดเป็นของมาก แล้วไม่ได้ จ, จัดยกกระสิทธิ์ในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโรคเซนต์ศาะสาทผอมแห้งสุกสิบนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็ผอมแห้งนี่เ้าเรียกว่าโรคเสซนต์ประสาทนั่นแหละคือกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวตัําคิดนึกตลอดคืนลุ่มรุ่มเช้ามาไม่ได้ทําอะไรเลย ยังไม่ทําเป็นเปลวนะถ้าหากบางคนนะรุ่งเช้ามาแต่อื่นจะดึกรีบไปทํางานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังไหม่ไม่หมดคือไม่เป็นปแปลงทั้งหมดแต่ก็แสดงเป็นเ ป, นเปลียนมาบ้างอันนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้ไมาเป็เอย่างเงี้ยสังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราานั้น วิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั่นพูดทั้งเรื่องวิญญาณในทีน่นี้เรื่องในวิญญาณในขั้นห้านี้น่นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้งหกไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทีติวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้น ท่นก็เรียกเป็วิญญาณเหมือนกันเอวิญญาณนี่นะท่านมาได้เรียกเอานนะั้นไม่ได้หมายเอานนะั้นหมายวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นพักเดียวหรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรก คัดเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่าวิญญาตตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาทำรรมสมาธิตามจิตทั้งตนได้จะเห็นชัดวิญญาตัวนะพอเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามถอะพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรก อันนั้นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันสซ่านไปคข่อวเ ป, ป็นเป็นจำว่าเสียงสัตว์เสียงเสือหรือเสียงปู่เสียงคนอันนั้นเป็นตัวสัญญาไปเฉยแล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราเพราะเราว่าเพราะหรือว่าไม่เพราะหรืออย่างให้มันเพราะอย่างนั้ น, อ ย, นอย่างนัาะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสั้ขานไปเฉยแล้ว ถ้าหากเราพอใจแล้วไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบทำไมชอบเกิดขึ้นมาช่ไหมมันยืดออกไปกระจายออกไปจากตัวย่างให่ตัเดียวนะเห็นนั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทำสมาธิไม่ทันได้หรือไม่ถึงไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเรา ว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่นต่างอันนี้พวกหนึ่งพวกกรรมไปกว่านั้นอีกหาขอฐานกินพวกนี้ตามมันน้อยเมื่อไงขอทานกินไว้กันเน่ยอีกพวกหนึ่งอ่ะ แต่งงานแฉ่พาะในาพามในพวกพามนะนะั่นแหละไม่แต่งพวกไม่ผสมพวกอื่นแตแต่งเฉพาะพามนะั่นเองทีเื่องหนึ่งครับสอนคือว่าถ้าหากคู่ที่ได้หัดพอนาแล้วให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์เดียวเราตั้งจิตกำหนดจิตดีด เมื่อเสียงมากระทบเขาแล้วเรายังจะแยกหรือ จ, จะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำอย่างนี้กันแล้วกันแล้วนั่งดีๆมีสัตว์อะไรมากัดช่้นยุงดรีนก็เอามากัดแผบเขาเลยพอรู้สึกที่ได้ตัวนั้นตัววิญญาณมีว่าถึงเรื่องคันหาน นามมาทำคือเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตนมีตัวมีแต่ลักษณะไอ้มีแต่ลักษณะอาการในปรากฏขันขันห่านี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ตัวเรื่องขันห่าแล้วยุ่งกันใหญ่ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายหรอก พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่น่นพาลาฮเวัาจากคันธาพาลาฮาโรจัปุคารุพาลาธ า, า, า, า, า, า, า, า, านังทุกครั้งโลเกพาลานิเขปนังทุกขังนิคิปิตวากรุงพลังอัญงพลังอนาธิยะพากันแปลกันอยู่แล้ว แต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเพื่อของลึกซึ้งเลยเรื่องนั้นภาลาทันนาภาลาน า, าเวปัญจคันธาขันห้าเป็นภาละดีท่านแปลขันห้าเป็นภาละเว้ยแปลงะนนทำาเวย้เวยนี่ย มันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเราคั้นห้าเป็นภาระเนี่ยนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับใจใจเป็นทรรนอง น, นั่นนะคั้นห้าเป็นภาละนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นธรนอง น, นั้นนะพึงเข้าใจพึงคิดเอะว่าทำไมเึงเรียวกว่าเป็นภาระคั้นหา้า พาระนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดพูดเดียคําว่าเป็นพาระธุระนั้นนี่อะไรต่างๆคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุรหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียวกว่าพาละหน้าที่อะไรคันหะมันเป็นหน้าที่อะไรรูป เป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรือเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลงคิดลงสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายเิ้ว่ห้อยก็ต้องหาเ็บํางบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่ม เกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นมูเวทนาหมูทหาน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกที่ดววิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วเรานี่เป็นคนรักคนเดียวมองอาดาอาเบไปจักรงานคันทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไป ทั้ทั้งที่เราเป็นพระราของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบํารุงแล้วบังเลอแล้วรักษา <c oughs> บริหารในประการต่างๆยังไม่นานทั้นเราเป็นคนแบกอีกซักพระราฮ า, าโอจะปุกฮโลเนื้อคลืมนก็นในใคล้ายๆกันนั่เนเองเมื่อเป็นพระราก็เราก็เป็นคนแบกบไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยยจะไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอก ใหฝากพ่อแม่พี่น้องอยากวงจใช้ฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกลูกกันหลานยังเด็กยังเล็กอย่เราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คําว่าภาระเด็กที่นีะตัวของมันนั่นก็เป็นภาระของมันอยู่แล้วเราไปฝากนี่นเป็นอีกเรื่องของเป็นภาระเขาอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอยู่อีกเรื่องตัวมันมันก็มันไปทั้งหมดแล้วตัวขั้เห้ามึงอน ลูกเกิดขึ้นมาก็ขันหาร้านเกิดขึ้นมาขันหาเล่นเกิดขึ้นขึ้นมาก็ขนั น, ข น, ขนหา่าใครๆเกิดขึ้นมาเป็นขันห่าทั้งหมดจะไปไว้น้อยมันก็ไปมันแบกของมันอยู่แล้วถึงอะไรเพื่อฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันหานั้นขันห่านะั้นมันกตัวของมันมันก็แบกของมันอย่างน้นที่พระพุทธเจ้าท่านพ า, า, าราฮาโรเจบุคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไป้ฝากให้คนนั่งคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายว่าทุกคนต้องพากันแบ็คือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกอะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณของแต่ละคนละคนมีครบมูลบริบูลหมดนี่จต้องนำไปอย่างงี้พาราฮาโลจะปุคาโลยังเรียกว่าเป็นการนำไปพาราเป็นของนำเรานำไปพาราธานังทุกขังโลเก ทุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกไปเถิดทุกอดอยากหากินไม่พอปากพอท้าะมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่เพราะอยู่เพรากินเนี่ยเรื่องหายากลําบากนี่ยแต่ว่ามันมาทุกตัวนี้เนี่ยมีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนักอกนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี้ มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันกับตัวนี้สุขก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันกับตัวนี้ยังว่าตัวนี้เป็นคนแบกบตัวนี้เป็นคนหามทาราทานังทุกขังโลกเหที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมาก รู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์ันไม่เคยชอบจึงเลยเชี่อวเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดเพราะมันจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอันเดียวกันน่ะเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขสั่แต่ทุกข์มันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นะ เพาะความแล้วก็เป็นหลังมือคําว่าสุขภาราทานังทุกขังโลกเองที่พระเดจจ่าท่านแสดงว่าทุกขนั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสฉพาะคนไม่ชอบชอบเป็นสุขจึงได้แสดงทุกข์คือไม่เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดพๆกันทวนเนี้ยนี่มีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์ มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนนิยมยกย่องสนุเสญมีชื่อเสียงกิติยศดังดังต้องคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมดของเมียอยู่อังคินสมบูรณ์บริวรมีคนชมเชยยุงย่องสนรเสนมีเกียรติยศชื่อเสียงดังสุขไหมคนยังไม่ทฉันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุข ถ้าหากใครไปถึงเ็ดนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาลไว้เบืองเขาไว้วางใจเขานำหน้าทือตาเขาจะยกย่อเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจะยกย่องเพราะรับหน้าที่หรือรับภาระเขา พูดกันง่ายเรียกว่ารับใช้เขานั่ารือสุขคนรับใช้เขารือสุขคิดๆดู่ตรงนี้แล้กันแล้วกันถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ปิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายการร่วมและเดินเต่รับใช้เขาทั้งนั้นและสุขต้งไหนราคาหนี่งอันที่เราว่าสุขมันไม่ใช่ใช่แล้ว อันคําที่ ว, ว่าว่าว่าสุขนั้นเป็นคําที่เรารุ่มหลงเป็นเรื่องที่เรารุ่มหลงโมเมลต่างหากเข้าใจว่าเขายกยอชมเฉยเขาให้เกียรติให้หนาเขาเข้าใจว่าเราดีก็ไม่จริงแลนะของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือนั่นมันซ่อนอย่างไร น, นั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นคุณจรายเจรคุ้ยึ้นมาอธิบายให้ฟัง คาราทางนางทุกขังโลกีก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีจจดีใจนักหนาอาสมบมูรณ์บริบูรณทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะไรต่ตตตางๆแค่ฉันสูล้ลไม่ได้ในทางนองมันละแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั่นคือได้ก้อนทุกอย่าดีนี่แหละจะตั้งอธิบายไปแล้วรวงเบื้องต้น ภาราทานางภาระฮาเวเป็นจักรคันธามมันเป็นภาระภาราทานางทุกขงังไอ้ภาราฮาโลจะปุกคโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนําอันนี้ไปอาการที่แบกที่น้ามันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายเราไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตรงของเราอย่างเดียวเราจะนํามันไป คิดเหนือทิดใต้แล้วมันดกแต่วันออกจะไปไหนก็ไปเถิดนํามันกายดีไปก็ได้ตนได้ตัวลแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแก้วหาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักขาก็ไม่บอดหูกก็ไม่หนวกไปเถิดไปไหนก็ไปเถิดเก็บไปได้กี่มั่งน้อยเดียวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เน็ดเหนื่อยหรอกดีไมด่ดีเดียวไปหกล้มมาเจ็บปวดทั้งอีก นั่นเอากอนทุกไปแบบกกอนทุกไปมันปรากฏขึ้นมาชาติอย่างนี้แหละยิงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีเป แ, แท้ที่จริงไม่มีอดีอะไรเลยเนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้พรามจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพักันนุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันกลงกันข้ามกับคำสอนพระพุทธเจาและพระพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกัน ถ้าคนหลงมัวมเมาอย่างนี้แล้วผู้ใจจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงสอนของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงาพราราทางนางทุกขังโลเกะไม่เข้าใจเลยมาดูเรื่องเลยแค่จริงกับเป็นจริงอย่างนั้นจริงตอนท้ายท่านเจ้าพระพารานิเคปนางทุกขังทุกขงักขง ถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิชกิพิตวากรมภาลังพันยังพาลังอนาทิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้อย่างไราะนี้กับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิง้งยางไรกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกัน การทิ้งให้ใครก็ทิ้งไม่ได้อย่างอาธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้แล้วหลานไปทิ้งให้คนนัคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไว้ก็นมันหมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีคนทางที่ทิ้งแบบนี้มีคนทางพระพได้บบเจ้าถ้ามีวิธีทิ้งแบบหนึ่งตาง่างหาก ท, ที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้ว ท่านยังมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละก็ับพราะมารูเท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันหามอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหนาตาของขันหาลักษณะอาการของขันหานความช่วเรากันนั่นเองอย่างของพระพเจ้าของเรา เมื่อสมัยกระโนน้นตั้งเสียตั้งขาเลยมาแล้วหละพระเทเวทัตเป็จพูค้าบ้านเศรษฐีหนึ่งจึงตกทุกข์ระยกขายของมดในบ้านในเรือนยังถายทองคำได้หนึ่งพระเทว๋วท่านจะเห็นครับพระเทวทันรู้เรื่องมาเป็นทองคำแต่ขายไ มชันนบิจึงได้ขยายทั้งเรื่องท่าสี่ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการสามสิบสองเพืออธิบายาาในเบื้องต้นที่ว่าเั็นใจท่าสี่เพื่ออธิบายฟังเมือวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดการเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้กลัวเรื่อยหยุดมาอยู่ดีสบายโล่มตายไปก็ดี เราไม่เห็นชัดตาเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักแต่ว่าธาตาุแตกสขันดับไม่ใช่ตนวตเค่อตัวเพียงธาตแตกขันดับหรือธาตาุบินขันบินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชาติตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดมันนั่นเป็นของเรา อาการสละสละโดวยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้ยังจะยึดก็เป็นข้องเรายึดตลอดไปลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาว่าอุาาอปาทาเนยเพียงทิศวา ย, ยาจีพรรณนาสังขเยถ้าหกใครมารู้จักมาเห็นไพเิ้นโทษอุปท า, านนักขัคือการเข้าไปยึดขันหานี่พอเป็นตนเป็นตัวเมื่ อ, อไร่แล้วก็จะไม่กลั่นจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของ การเข้าไปยึดถือขันห้าดังที่ได้บายนี้ยึดว่าเป็นของตนของตัวแล้วก็จะสิทธิพบชิทธิชาไม่มีเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปมีวิธีทิ้งของคุณทรายทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปคันนีน้ถ้าไปเจริญนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเรา ที่ตัวงเราจะทํายังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดัอธิบายมานั่นเข้าใจนะไอเวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือ น, น, น, น, นกับน้ํามันเหมือนกับฟองน้ํารูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือ น, นกับเห <c oughs> มือนกับคลื่นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับ ท่าว่าเทนุเป็นนุป ม, มาดูป่ารูปล้วก็ ม, มาเปรี่ยนมันกับฟองน้ําฟองน้าน่ะมันเกิดมันดับแล้วก็คงจะเคยเห็นน้ําที่มันตกจากเซกาทั้งหมดตกมาทั้งล่างมาถูกน้ำทั้งล่างนั้นก็เป็นฟองตึนเป็นฟองตึดพอแล้วก็แตกลงไป แลก็อันอื่นจมมาขนาดอีกมันก็ฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเกา่าไม้ความว่าน้ําสแสดงฤทธิ์เอาว่างกันง่ายว่นาน้ําแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับจะไหลไปเป็นน้ํนาน้ําแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนขึ้นอยากน้ํามาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วนก็เป็นฟองแล้วเป็นฟองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพขึ้นมาแล้วมันก็สลายดับตรงไป คนเรากัเช่นท่านเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินเนี่ยคือดินน้ำไฟลมดังอธิบายให้ฟังนะมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนแตกต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูงคนเล็กคนเลี้ยวอะไรคนร่วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นกองน้ํำนี่ ตอนน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายอ้กไปก็เป็นดินน้ำของเกา่าแล้วเป็นดินน้ำไปลมของเกา่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท้านเอวเพดูเป็นอุปมาดูป่าเหมือนเงินกะฟองน้ำเวทนาปกดูปมาเวทนานั้นท่านอุปม า, ปาเสียมันก็คลื่นมันกระทบฝั่ง มีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบมันไม่ค่ปรากฏมันก็มีเสียงมะรีจีรูประมาสัญญาสัญญาคือความจดจ่านุ่มกับพยับเดชพยับแดชนั้นเวลาแดดร้อนเราก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างแล้วมองไปแดดร้อนนั้นดูข้างหน้าเป็นยิบยับ ย, ยิบยอบยิบยิบเป็นตัวเป็นตัวจริงๆเลยจ้ะ เวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่จับไปไหนไม่มีตัวมีตัวสัญญาคือความจำแล้วจำอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงไปจังทุกทจริงทุกอย่างที่เราจำไปนะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีเหตุนั้นนังว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจเรื่องสัญญาตามเป็นจริงแล้วแล้วปล่อยวางในห้า สังขาลากัณารูปรมาท่านอุปมาเปรียบกันต้องกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยที่แท้นั้นมันไม่มีเกณฑเนรอกมีท่านอุปมาเปรียบเทียบหลายด้านหลายทางา ท, าที่มาทุ่มที่มาทํากองรู้เท่าเข้าใจในเรื่องขันห้าเราจะปล่อยวางอุปทานนักขันได้เพราะขันห้ามัมีสาระอย่าง รูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญาไม่ต้องมีตนไม่ไม่มีแก่นไม่ใส่สังขารก็ไม่มีแก่นไิ่ใส่ทำไมจะไม่มีแก่นไมขานสั้งขารอย่างแล้วไปตัดไม้จะไล่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างสลอมฉลางอนี้นี่ก็เป็นตนในตัวขึ้นมาไม่แฉลือเป็นลังคาขึ้นมาได้ไม่แฉลือจะไปได้ยากกว่าสังขารเป็นตนในตัวจะไม่มีแก่นไม่ใส่ยังไงอ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆลอกนี่ แล้วมาปรุงมาแต่งขึ้นมานนที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยงดงามให้มันคงทาวอนอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างธาราเราเนี่ยไม้ร่มเมื่อใส่คลื่นเดียวเท่านั้นหายวับไปเลยสี่งหนึ่ง ม, มันเห็นปรากฏชัดทีเดียว่ะไม่มีสสาระอันนี้อันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปี เดียวกับทางละลายลงไปหมดทั้งละลายไปไหนก็ไปลงไปที่ดินของเก่านั่นแหละสังขารคือตัวของเราแค่เจนเดียวกัน <c oughs> ถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตัวเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคําว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงกันแตกตัวขงเราเนี่ก็เกิดจากการปรุงลารแตกคือดินน้าไพลโลมนั่น อาศัยบุญกรรมปรุงแต่งใหเป็นลูกแข่งขัน ข, ขึ้นมาแล้วก็ดูสิเด็กแล้ว เ, เกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กแล้วหายไปไหนเวลานี้ไปหเด็กก็อยู่ไหนกันล่ะมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วนุ่มสาวเน่ยแล้วผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานว่าแก่ที่แก่เดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกล่ะไม่เพิ่งเจอก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรนะขานี้ นเนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทำปะละาไปทําปลาส่งกินหมือนไม่มีเรื่องมีราวใดเลยทิ้งกับลราแย่ที่สุดเป็นหนอนรงกาก็ไม่ได้กินซําไปฝังทิ้งทั้งมันมีอะไรบางเหลืออยู่ในนะ่ะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นภาชะคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีอะไรเลยพอตายก็จะเป็นภาชะคนอื่นอีกแล้ว อย่างเขาว่ากันนะ่ะคนตายขายคนเป็นต้องทําศพทําเอนกันให้กระทึกคือโโตกมีหน่ายมีเกียร์เพราะทำศพเสร็จเออลูกหลานที่ทั้งที่ยังไม่ตายเลยจนหมดเป็นหนีเป็นเสียงเขาก็แย่มันได้อะไรกันนะ่ะขอเนะ่ะไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของตายเปนจริงดังนี้แล้ว เมื่อเรายังครองทั้งฐานคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาทั้งขานั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณนั้นเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจะได้เมื่อเรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาทูบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้น รูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วพอเห็นเป็นจักแต่ว่าดินน้าไปลมเวทนาคือความสุขทุกเกิดขึ้นมาก็ผู้ปรมาเปลี่ยน ม, มันก็ขึ้นกระทบฝั่งมันมาประเดียวประดาแล้วก็หายไปลูกอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปลูกนี้กระทบหายไปก็คิดดูสิเวทนาตั้งแต่เกิดมาเนี่การร้องไห้ร้องห่งมแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้ว เสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดนั่นหมู่นั้นมันก็หายไปงั้นน่ะนั่นก็เป็นคลื่นเป็นก้อนมป็นก้อนมาเป็นลูกเป็นลูกมันก็ททบมันก็หายไปแล้วมันเป็นอยู่เดียดนี้เชื่อมเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปงั้นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจจุดนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรดอกเราแค่ปล่อยวางออกไปได้สัญญาคือการจํากันเหมือนกันนะเราจำนั่นจํานี่อะไรเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จําอันอื่นต่อไปก็ลืมไปในผลที่สุด จะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราไปจะไม่ได้รู้รู้จากสัญญาสังขารโมนี้รู้โมนี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังซักเท่เอาเป็นเครื่องใช้ใช้ไปได้ก็ปล่อยทิ้งซะอย่ามันหนักในอกในใจของเราแล้วก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของผุ้ใหเดี่วนั่งสอนอย่างนี้ วิญญาณเมื่อกระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไ ป, กยไปเกิดความรู้สึกแล้วมนก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายฝั่งมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกก็เลยมัหายไปมาเป็นสัญญาอทั้งขานไปเลยไปเวทนาไปหมดใช่ไหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จะมันก็คือได้ข่มรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจรารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วแล้วปล่อยวางลงไปได้ วิธีปล่อยวางผู้ได้เจ้าท่านสอนเนี่เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้เย่างว่าภาล้วนี่เคสปนังทุกขงัขขงทุกขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกอยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคําพูดที่ฟังได้ยะทุกทําไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวมันไม่ไปลบถึงใจได้อย่างไง เป็นจริงถ้าหากผู้มาคิดค้นพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่เป็น อ, อยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศตัวหนึ่งเข้ามาทั้งหาแล้วจิตอนั้นจะมามองมเห็นเวทนาอนชฌัตทีเดียวไม่เห็นขันธอน้ชฌัตทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาสังขารแท้แต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญยางแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน ข้อ น, นี้ถ้าเจ้าพ่อมาให้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างชัดก็เขาจะเห็นได้กับเพียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่เงินเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเขาเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องเหมืนั้นที่เรานั่งเหนื่อยนั่นจะลืมไป ที่เรานั่งเหนื่อยเหนื่อยลืมไปหรือยุงลีนกัดอะไรจะลืมไปเลยจิตเราจะไปจดจอ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตพิจารณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดเวทนารูปเวทนาสัญญาทังขันวิญญาณทั้งหมดนี่พิจาาให้เป็นธรรมทั้งหมดนะเห็นชัดตารเปจริงอย่างนั้นแล้วเราจะพเพลินแลสนุกอยู่กับความรู้นั้น อันเวทนาเชิงาทั้งขาดวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปรบกวนความสุขหรือความเพลนของเราในที่นั้นจึงเรียกว่าเวทนาไม่ไปรบกวร น, นี่พอจะเทียบเทียงพอจะเข้าใจได้นี่ว่าทั้งเรื่องขันห้าอธิบายถึงเรื่องขันห้าในวันนี้ว่าธรรมะคำสองพุทธเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเรา สอนธาตุสี่ขั้นห้าเกิขั้นห้ากวที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลธาตุสี่ว่าถึงเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วอันนี้เพิ่มเข้ามาอีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารนิยางก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลดังอธิบายในฝั่งนี้ทำว่าขั้นต่าหากว่านอกจากตัวองเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริง ถ้พิจารณาเ น, นี่ยนี่ใจเห็นของจิงธรรมะถ้าห น, นีใจตรงเราเรียกว่าทรรมแต่อันนั้นเป็นทรรมแต่ไม่ใช่ทรรเป็นก้อนทรรมแต่ใหกระจายกระจายก่อนจับไม่ได้คือไม่รู้ชาติการมเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักพิจารณาธรรมะแยกให้หนีจากธาตุสี่ขันหะอาจารย์ทนายจะ อ, ยอธิบายต่อไปในวันข้างหน้า อันนี้อธิบายได้เพียงไอขนน้ขันหักใช่บหมนี้ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาไอ้จุดอย่าพากัเป็นนิ่งนอนนื้อเฉยได้สงบเยือเฉยไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความปัญญ์ไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้น้อมมาทำคําสอนที่อธิบายฝั่งนี้่เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา